นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ธรรมาพระไพบุญอภิปุญโนจากวัดป่าดอนไห่โศกครับกับผมธันตแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุณครับผู้ร่วมดำเนินรายการวั น, นนี้มันกลับมาพบอีกแล้วนะตอนที่12ครับตอนที่12ก็ในช่วงนี้เราก็ยังดำเนินการต่อจากคราวที่แล้วที่เรายังพูดถึงเรื่องอนิยมมั่มีองแปดใช่ครับนะไล่มาเรื่อยๆ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 ไ ด, ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมมานะครับจากอริอยสัจจากพระโอษฐภาคปลายครับก็วันนี้จะมาค่อยๆแกะแกะกันทีละข้อทีละมุม ค, ค, คือที่ต้อ ง, องมีต้องมี เ, สเซสชั่นนี้ต้องมีพอดแคสต์อันนี้ที่12เนี่ยที่พูดเฉพาะเกี่ยวกับรเรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเพราะว่าบางแง่มุมเนี่ยเราต้องพูดโดยองค์รวมเราจะไม่สามารถพูดโดยแยกได้นะอย่างกรณีที่เช่นว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอริยมรรคมีองค์เนี่ยคือ สุดยอดของธรรมะที่พระองค์สอนเรีรบยบเหมือนกับรอยเท้าช้างอซึ่งใหญ่ครัแล้วก็ไม่มีรอยเท้าสรรตบบัตว์บกอันไหนที่จะใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้างรับอรอยเท้าช้างนี่มันใหญ่จริงๆนะครั บ, รบก็เป็นเหมือนรวมธรรมะอื่นก็เป็นส่วนย่อ ย, ย, ยของธรรมะหมวดนี้อไม่ว่าอะไรที่พระองค์สอนเนี่ยจะหาเจอหมดเนี่ยอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดต้องอยู่สักตรงใดตรงหนึ่งครับ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 ต้องใช้คําว่าอธิศีลัสิกขาอธิปัญตาสิกขาแล้วก็อธิปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาคือในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งในปัญญาอันยิ่งคือทำไมต้องใช้อันยิ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องศีลธรรมดาเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าศีลหเบสิคศีลห้าศีลแปดแต่ว่าในอธิศีลสิกขาเนี่ยคือศีลอันยิ่งขึ้นไปมันละเอียดกว่านั้นอศีลห้าเนี่ยพูดถึงแค่เรื่องไม่พูดโกหก ใช่ครับแต่ในมาร์เนี่ยละเอียดกว่าอีกยังมีพูดเพอร์เจอร์ไม่พูดเพอร์เจอร์ไม่พูดคําหยาไม่พูดสีย่อเสียดเพราะฉะนั้นจะละเอียดลงไปออคือจะเป็นความบริสุทธิ์ที่ลึกซึ้งกว่าศีลปกติใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงว่าทําให้ยิ่งขึ้นไปได้ครับทําให้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปได้เพราะฉะถ้าคุณมีแล้วดีแต่มาร์กนี่ยิ่งไปกว่านั้นก็มีอคือละเอียดแล้วละเอียดอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกพระเจ้าได้ พูดถึงความเป็นไหลทะเลของธรรมะนี้นั่นจะค่อยๆลึกลงไปเป็นลําดับลําดับลําดับไม่ใช่พลัดพราดนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยมันก็จะค่อยลึกซึง้งลึกซึ้งลงไปเหมือนอย่างผู้ที่มาหลีกเร้นปฏิบัติที่วัปวปดป่าดอนไห่โซกเนี่ยครับไม่ใช่มาเที่ยวเดี๋ยวแล้วคุณจบคอสักคือจบมันไม่ใช่อย่างนั้นทําไมยังมีคนมารอบสองรอบสา ม, ร อ, สามรอบสี่บางคนแม่ออกบางคนหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาบางท่านเนี่ย มาเป็นสิบสิบรอบโอ้อน่านวทนานะครับสิบรอบนะมะีแล้วก็ทำไมถึงมาบ่อยๆเพราะว่ามันละเอียดเล็กซึ้งลงไปเรื่อยๆอมอสมมติในธรรมะหมวดเดิมที่มาฟังซ้ำๆๆเนี่ยก็จะมีความแตกฉานเพิ่มขึ้นอย่างนี้แหละครับใช่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเนี่ยคืออ น, นิสงส์ของการฟังธรรมนะคือคจะแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้ว อ, อ, อย่างอาจมาฟัง อ, อ, อ่านพุทธวจนะอย่างเนี้ย เราอ่านรอบที่หนึ่งเนี่ยแหมมันก็ลึกมันก็เข้าใจแบบหนึ่งอ่านรอบที่สิบ <c oughs> ก็เข้าใจอีกแบบนึ่งอ่า น, นรอบที่ยี่สิบก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับรอบที่สิบไม่เหมือนกับรอบที่หนึ่งจะได้ความแตกฉันเพิ่มขึ้น่มขึ้นอย่างรอบที่หนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโอ้ oh, โหแหมอันนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนใช่คร <c oughs> ับรอบที่สิบเนี่ยเราจะก็ค่อยเราจะก็จะเข้าใจเราก็จะเข้าใจว่าโอ้โหแง่มุมนี้เราไม่เคยเห็นเลยเพราออ่านรอบที่ยี่สิบนี่เราก็จะเข้าใจว่าโอ้โห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 แต่ว่ามีแปดเส้นแปดเลนว่าง uh ั à, ้นเถอะอ่าแปดเลนเข้าสู <S <S ่เส้นทางทางเอกทางเดียวใช่แล้วก็เป็นเส้นทางที ok ok ่เร ok ok ok ok ียกว่านําเราไปสู่ความไม่ตายครับเพราะฉะนั้นทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกเเราใกล้ไปใกล้ความตายเข้าไปทุกลมหายใจออายุเราก็สั้นลงสั้นส้นลงสั้นลงใกล้ความตายขึ้นไปเข้าไปเข้าไปเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราเข้าไปสู่ใกล้ความตายเนี่ยเส้นทางตรงนี้คุณเดินอยู่บนมาร์กไหม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 คือทางที่สุดโต่งคือคือต้องเปรียบเทียบกันก่อนว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเส้นทางอยู่สองสาสายคือสายที่สุดโต่งข้างหนึ่งเลยคือการทำตนให้ลำบากเช่นปลุยกายบ้างเอาหนามมาทิ่มตัวไม่กินข้าวทำตัวเป็นบัวอยู่หลายๆปีไปลงน้ำอยู่ในตอนเย็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางที่ทำตนให้ลำบากเสียเปล่า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 เตกาการมัสุขัลิการโยกการมนสุขัลิการโยกซึ่งบระพุทธเจ้าของเราเนี่ยผ่านมาทั้งสองแบบใช่ครับช่วงตั้งแต่ประสูติ์จนถึงปีที่ย9ก้านะก็คือความสุขเต็มที่เลยท่านเป็นลูกกษัตริย์ด้วยมีทุกอย่างเสื้อผ้ารองเท้าอย่างดีความสุขสนุกสนานมีประสาทสามหลังครับแล้วก็ในช่วงที่หลังจากออกบวชปีที่ยี่บเก้าถึงปีที่สสิบห้าก็เป็นช่วงที่ สุดตรงอีกข้างหนึ่งเลยคนะไปทําตัวห้าำบากอจนกระทั้งปีที่สามสิบห้าไปแล้วเนี่ยก็พบว่าโอ้มันมีทางสายกลางอยู่ตรงนี้ก็คืออริมัสมีองค์แปดใช่แล้วก็ทางสายกลางตรงนี้เป็นเรื่องของจิตนะไปในจิตทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องสีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือทางสายกลางเนี่ยสีเนี่ยก็เป็นสิ่งภายนอกที่เราพอจะสังเกตเห็นได้นะถ้าเราดูง่ายๆอย่างเรื่องของเครื่องแบบพระอย่างเงี้ยก็เป็นทางสายกลาง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 เฉียบเฉียบขาดเขาเรียกว่าอะไรให้รัดกลุ่มแล้วก็เนียบมากกว่านี้เนยบมากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนอาจจะเอาแบบผ้ามาต่ อ, อยังไม่มีระบบนะ ม, มีชายบ้างไม่มีชาย บ, บ้างแต่นี้ก็คือทำอย่างเป็นระบบมากขึ้นให้มันรัดกลุ่มแล้วก็กระชับแล้วก็ได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดอย่างนั้นไหมครับคำนี้ก็ <c oughs> คานี้ก็เป็นคาที่เรียกว่าไงบางทีพระเจ้าก็ไม่ได้ประหยัดนะ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 ยังกุศลทราทให้เกิดขึ้นมีมุมนี้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เป็นทางสายกลางคือทางสายกลางเนี่ยมีในทุกระบบเลยนะคือทำทั้งหมดที่พระเจ้าประกาศเนี่ยเป็นทางสายกลางเพราะว่าทุกอย่างมันลงในมาร์คนี่ใช่ครับจับลงได้หมดมาร์กก็เป็นทางสายกลางเพรา ะ, ะนั้นทุกอย่างเป็นทางสายกลางการให้ทานเป็นทางสายกลางการรักษาศีลเป็นทางสายกลาง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 ก็ <G ül ets> อันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้บอกไปแล้วนะว่าการแบ่งจ่ายทรัพย์ทํำยังไงอการที่อันนี้เราก็ได้พูดไปในหบดของสมาอาชิวะอยู่นิดหนึ่งว่าใช่ครั บ, บทรัพที่ได้มาก็แบ่งใจ่ายให้ตัวเองก่อนพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ลูกเมียก่อนและอันะ<ช>ดับสองก็มาคอยเอาทรัพย์บางส่วนต้องมาแบ่งมาเพื่อป้องกันรักษาทรัพย์ที่มีอยู่อันะที่สามก็บูชาเทวดาช่วยชาติช่วยญาติอะไรต่างอันที่สี่ถึงเอามาให้ทานครับอืมเพราะฉะนั้น ก็ให้แบ่งตามระบบนี้ถ้าคุณทำถูกต้องเนี่ยก็อยู่ในมรรคแปดมีทางสายกลางผู้ที่ให้ทานเนี่ยต้องมีความฉลาดในการที่ไม่ดำรงตนให้ลำบากหมายความว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นผู้ที่ให้ทานอย่างฉลาดอันนี้ก็ได้เกิดตัวไว้ซึ่งก็อย่างที่เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ถ่ายทอดกันมานการให้ทาน ที่ที่ดีก็คือเนี่ยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีอแปดใช่ไหมครับคือทานเนี่ยก็จะมีแบบทานที่เป็นเขาเรียกเงินทองจับต้องได้กับทานทเอ่อย่างนี้อย่างนีค้คืองนี้ทานเนี่ยนะอยู่ในอริยมรรคมีองแปดในส่วนของสมาธิที่ในส่วนสมาธิทิอันหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับของหนักเนี่ยมีอยู่ก็คือกเชื่อว่าการให้ทานมีผลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงแค่ว่าให้ทานแบบให้สิ่งของเนี่ยก็ควรทําอยู่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 ถ้าเราไปบอกคนอื่นว่าเอ้ยคุณไม่ต้องให้ทานแล้วมานั่งปฏิบัตินั่งสมาธิพูดได้ไงอธิมาพูดมมไม่ได้กชื่อว่าขุดรากตัวเองเ อ, อแล้วห้ามคนอื่นทาบุญโอ้โหยิ่งเป็นเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนชั่วของเขาอีกออืถ้าเขาจะทำให้เขาทำํำเราควรจะแนะนําให้ยิ่งขึ้นไป<อ>ในเรื่องของงั้นคุณมาปฏิบัติทางจิตงั้นคุณม า, าปฏิบัติทางเรื่องสีเรื่องสมาธิอันนี้ยิ่งกว่าอยอด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 ทำให้เราไม่สบายใจทําให้เราทําสิ่งที่เราไม่พอใจคุณจี๊ดไหมคุณจี๊ดเนี่ยทําศาสนาเสื่อมครับอืมหรือคุณด่าคนที่เขาทําศาสนาเสื่อมสมมตุติมีคนหนึ่งพูดไม่ดีคุณด่าเขาคุณเนะี่ยทำาศาสนาเสื่อมเองอ๋ออ่เพราะว่าคุณไปด่าเขาคุณไม่ได้อยู่ตามมักแปดครับถ้าเรามาเป็นอลุศิษฐาคตมาช่วยกันหมุนธรรมจักรเนี่ยต้องอยู่ในมักตลอดคือปฏิบัติที่ตัวเราใช่ ให้ให้เรียกว่าเข้าสู่เส้นทางของอาออลีอามวก็ถ้าเราอยู่ในมัคแล้วเนี่ยนะเราจะสบายพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคุณอยู่ในมัคเนี่ยคุณไม่จําเป็นหรอกต้องหวังว่าได้โสดาสิกีธาธนาคารหารัหรือว่าต้องจิตต้องสงบจิตไม่สงบจิตต้องละกิเลสได้ละอาสวะได้ไม่ต้องหวังถ้าอยู่ในมัคนะได้แน่นอนก็คือเราเราจะต้องตั้งเป้าหมายว่าในเรื่อง ต้องบังคับตัวเราให้กระทำสิ่งนั้นใช่ไหมครับใช่เป้าหมายในควรจะเป็นว่าฉันต้องอยู่ในมรรคอฉันต้องอะไรเนะี่ยศึกษาปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ฉันต้องอยู่ในมรรคอยู่ในมรรคสมาทานการเขาเรียกว่าสมาทานการปฏิบัติครับนะให้อยู่ในมรรคซึ่งตรงนี้พ ร, ระพรุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้ว่า <c oughs> เปรียบเหมือนว่าเราเรายัางไงเราก็ต้องตายนะ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 ซึ่งตรงนี้ถามว่าประพฤติชอบประพฤติธรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลมาเ็นบุญเนี่ยอะไรมาวัดเนี่ยไม่ให้ออกนอกนี้ก็คืออริยมมีรงเปรอมีตัวชีวัดชัดเจนนะครับแล้วก็ผลผลที่จะเกิดขึ้นก็คือความเป็นอริยบุคคลครับอเป็นผลที่สุดก็จะไม่เป็นอมตะไม่ไม่ตายครับเพราะว่าในในช่วงห่วงเวลานี้เนี่ยอคนทั่วไปก็จะ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 อ๋อที่เรียกว่าพละห้าใช่ไหมครับใช่าาคือหมายความว่าอย่างโซดาบันอย่างเงี้ยคุณเดินตามมาร์กใช่ไหม ค, คุณบรรลุปเป็นโสดาบันได้ผลซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเป็นโซดาบันโซดาบันเนี่ยบางทีก็หลุดออกนอกมาร์กบ้างก็มีอออือ่หมายความว่าบางทีก็ยังด่าคนอื่นอยู่บางทีเจอสิ่งที่มไม่พอใจก็ยังร้องไห้อยู่อย่างนี้นะอย่างตัวอย่างอนาถาบินทิกเศรษฐีหรือว่านางวิสาขาอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นโซดาบันนะแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่พอใจอย่าง อนาถาบินไดกับเศรษฐีโกโรธก็มีนะป่วยร้องไห้ก็มีนะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยคนที่จะเดินอยู่ในมรดได้อย่างเงี้ยเราถูกเขาดา่าเรามีเหตุการณ์ที่ไม่พอใจเสียใจเนี่ยเราจะทําอยู่ในมรดได้ตลอดหรือไม่เนี่ยมันต้อง อ, อยู่ที่กําลังของจิต ก, กับพละหครับพละหคือพละารายละเอียดประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใ ช, ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราจะอยู่ในมรดได้ตลอดเนี่ย ผลทางเราก็คือมั่นคงมากใช่ไหมถ้าเราหลุดออกนิดนึงก็คือว่าเสื่อมไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ในมัดได้ตลอดเนี่ยจึงต้องมีพละห้าซึ่งตรงนี้แหละจึงเป็นเหตุที่ทําให้บุคคลบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าออืเพราะฉถ้าคุณวัดถ้าคุณอยู่ในทางตลอดนะไม่หลุดเลยเนื้ออานาจของกําลังพละห้าตรงนี้คุณก็บรรลุเร็วแน่นอนใช่ครับแต่ถ้าอยู่นอกมากในบ้านก็ช้าไปตามลําดับ ต้องต้องมีน้ำหนักไหมครับเหัสัทธาริยสติสมาธิปัญญาหมือว่าให้คือทุกข้อควรจะเยอะหมดหรือว่าต้องอ่ะสติเยอะปัญญาเยอะอะไรอย่างนี้หรือว่ า, านหนักเวทเวทสัดส่วนไหมครับเรื่องนี้พรุทจ้าได้บอกกับพระโสนะไวค้คนะว่า อ, อ, อินซีทั้งห้าของเธอเนี่ยต้องไม่ยิ่งไม่หย่อนกันนะเสมอเสมออย่างพอดีออเป็นไปเสมอเสมออย่างพอดี คือไม่ยิง่งไม่หย่อนกันแล้วก็อพอดีพอดีกันคือถ้ามากก็คือมากทั้งหมดกลางก็คือกลางทั้งหมดเพราะว่าคือความละเอียดของธรรมะมันก็จะเรื่อยๆขึ้นไปใช่ครับมีมีความลึกความลุ่มลึกอยู่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าตัวใดตัวหนึ่งมากเราก็ค่อยๆ ป, ปรับให้มันพอเสมอๆกันอย่างนี้นะครับครั บ, รบเพราะว่าบางบางคนเนี่ยอย่างในสังคมไทยโสัทธามากจริงๆเลยเหมือนล้นเหลืออะไรแต่ว่าเอ๊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 ถึงแม้ตอนที่ห้าสิบหกสิบที่เราจะรันเพียวทำพอดแคสต์อันนี้ไปเนี่ยก็ยังต้องพูดเรื่องมรคอยู่ดีแตนะไม่ง่ายมุมนี้ก็ต้องแง่มุมหนึ่งลักษณะนี้เท่านั้นเองเหมือนมรคมีองค์แดก็คือเหมือนเป็นพื้นมหาสมุทรหรือว่าพื้นแผ่นดินที่รองอรั บ, ทบมทั้งหมดใช่ไหมครับใช่พระพุทธเจ้าก็ได้เคยตรัสไว้ว่าเสือหรือว่าสัตว์ใดๆเนี่ยจะอยู่ในอริบทไหนเดินยืนเดินนั่งนอนก็อยู่บนพื้นดิน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 กลับครับขอกลับนักการขอบพระคุณพระอาจารย์ไบบูญอภิปุโนครับผมขอกลับกับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ